เรียนรู้รูปนามต่อไปเห็นเลยมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยที่แรกเห็นว่ามันไม่มีตัวตนนะแต่คําว่าไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรไม่มีตัวตนไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยเนียพวกมิชาทิติชอบพูดว่าไม่มีอะไรเลยพวกไม่มีอะไรเลยเรื่องพวกนัติกาทิฐิเป็นมิชาทิติพวกหนึ่ง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 งั้นที่ภูมิทําสูงขึ้นสูงขึ้นนะท่านเห็นเลไอ้ของที่มีอยู่นั่ น, น <_ C os> เป็นของไม่ดีของไม่วิเศษพระ <_ C os> โสดาหเห็ น, นเลไอ้ของที่มีไม่ใช่ตัวเรา <_ C os> ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ใช่ตัวเรามีแต่ไม่ใช่เราแล้ไอ้ของซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เราเนี่ยเป็นตัวทุกรู้ทุกแจมแจ้งเข้าเข้าใจธรรมเรื่อรู้อริยสัจแจมแจ้งรู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ลาสมูไถ่เมื่อนั้น ราสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือพันนิพพานเมื่อนั้นแจ้งนิพพานเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดในขณะนั้นแหละงั้นจิตในอริยสัจสี่นะรู้ทุกราสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนะีเกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองนะในขณะแห่งอริยมรรคเป็นเรื่องอัศจรรย์นะธรรมะต้องเรียนเอาต้องปฏิบัติเอานะให้สมควรจะทำแล้วถึงจะทําทได้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 แล้วเราจะเห็นผลเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาสั้นไม่นานตองสั้นด้วยไม่ใช่ทํามา10ปีแล้วเหมือนเดิมไม่ได้เรื่องหรอกทาผิดแน่นอนในไรอย่างเง้ย น, นะหรือว่าทําถูกแต่ว่านานๆทาทีบอกเนี่ยปฏิบัติมา20ปีแล้วถามว่าแต่ละวันปฏิบัตินานเท่าไหร่3นาทีอย่ามาอวดว่ายี่ปีเวลาที่เหลือกิเลสเอาไปกินหมดนะปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำนะ